ส4วันที่ผ่านมาก็มีกิจนิมนลไปกรุงเทพเพื่อไปช่วยงานสาสองสำนงานที่จัดติดติกันเลยล้วนแล้วแต่เป็นงานที่เกี่ยวกับความเจ็บความป่วยความตายทั้งสิน้นงานแรกนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนา เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายงานการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี่ก็เป็นเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยนะพตกรเวลาใครใกล้าตายเนี่ยเราก็นึกถึงแต่เรื่องว่าจะยืดชีวิเขาให้ไดย้ยาวนานแค่ไหนแทนที่จะนึกว่าหรือแทนที่จะคิดว่าทําอย่างไร จึงจะให้เขาจากไปอย่างสงบไม่ใช่ไปทรามานเขาด้วยนะเครื่องยนต์ ก, กลไกต่างๆก็มีการประชุมใหญ่นะทั้งฝ่ายเมืองไทยเองแล้วก็ฝ่ายนานาชาติฝ่ายนานาชาตินี่ก็จัดสัมมนาในหมู่เอเชียแปซิฟิกประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกก็มีเยอะแยะนะคนมาเป็นพันคน เพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขาให้พูดเรื่องการใช้ธรรมะนะในการรับมือกับความสูญเสียหรือว่าความวิบัติที่เกิดขึ้น ความสูญเสียความวิบัตินี่ก็มันก็มีหลายรูปแบบนะเช่นความเจ็บความป่วยความพลัดพรากจากคนรักความสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติแผ่นดินไหวสึนามิน้าท่วมตอนนี้มันเป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก ก็ได้พูดไปว่าให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าเราจะพยายามป้องกันเพียงใดก็ตามไม่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าเพียงใดก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะสกัดกัน้นไม่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้คนเราไม่ว่าจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าแค่ไหนมันก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตาย ต้องมีความสูญเสียคราวนี้ทั้งๆ ท, ที่เราพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ยังเกิดจนได้แล้วเราจะทําอย่างไรตอนนี้เราก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวละความสามารถเฉพาะตัวใน น, นี้เนี่ยนะมันก็คงไม่ได้หมายถึงเฉพาะความเข้มแข็งร่างกายอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความเข้มแข็งทางจิตใจเราจะใช้จิตใจเนี่ย เพื่อรับมือกับเหตลายหรือหายนะภัยได้อย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นในเวลานั้นแต่เกิดขึ้นกับเราในเวลานี้นะก็ได้แนะนำเข้าไปนะหลายข้อข้อแรกคือว่ามันต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ซะก่อน ถ้าเราทําใจยอมรับไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวนะมันทุกข์ใจด้วยเช่นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยร่างกายก็แย่อยู่แล้วแต่พอทําใจยอมรับไม่ได้เช่นตีโพยตีพายโวยวายว่าทําไมต้องเป็นชั้นยิ่งตีโพยตีพายโวยวายเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เกิดความทุกข์ใจก็กลายเป็นว่าป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจ แล้วมันก็มีเหตุผลหน้าที่ทำให้คนเราเนี่ยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อย่างเช่นมีคนหนึ่งแกเป็นคนที่เอาใจใส่เรื่องสุขภาพมากเป็นผู้หญิงกินอาหารมังสวิรัตออกกำลังกายเป็นประจำอาหารที่อันอาหารสุขภาพไหนที่เขาว่าดีแกก็ไปหามาเรื่องเลาบุหรี เรื่องเนื้อนมไข่ที่เป็นอันตรายสอดสุขภาพเขาก็ไม่แตะเลยออกกำลังกายเป็นประจำโยคะหรือว่าวิ่งนะก็ทำมาเป็นเวลานา น, านด้วยความเชื่อว่าเขาจะมีชีวิตยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยแต่เราก็พบว่าวันหนึ่งเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนเขา ไม่เชื่อนะเขาทำใจยอมรับไม่ได้เขาก็บอกว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่น่าจะเกิดกับฉันเลยฉันอุตส่าห์ดูแลสุขภาพดีดูแลร่างกายมาเต็มที่ไอ้คนที่กินเหล้าสูบบุหรี่กินไม่เลือกมันไม่เป็นอะไรทำไมถึงต้องเป็นฉันให้ความคิดแบบนี้ว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่น่าจะเกิดกับกับฉันเลยเนี่ยมันทำให้ กลายเป็นทุกข์มากแล้วก็รู้สึกว่าถูกหลอกลวงถูกหมอที่แนะนำให้กินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหลอกลวงถูกโชคชะตาหักหลังขมขื่นมากโกรธแค้นมากระบายความโกรธใส่หมอใส่พยาบาลใส่ผู้คนชั้าที่เขาก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย แล้วก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนะตอนตายก็ตายไม่สงบอันนี้เพราะอะไรนะเพราะมะเร็งหรือเปล่ามะเร็งก็มีส่วนนะแต่หลายคนเป็นมะเร็งเขาก็เาก็สงบได้เขาก็อยู่อย่างสงบได้อย่างเรื่องที่จะเล่าอีกคนหนึ่งนะแต่ลายกรณีนี้เนี่ยเป็นเป็นทำใจไม่ได้ ยอมรับไม่ได้คนเราถ้ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันทุกข์มากนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะจะบน่นจะตีโพยตีพายยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นน้ำท่วมทรัพย์สมบัติก็สูญหายไปแล้วหรือไฟไหม้มันก็หมดไปแล้วหรือว่าคนลักตายมันก็เกิดขึ้นแล้วจะร้องให้คร่ำควรวญยังไรเขาก็ไม่กลับมาแล้วก็ไม่ช่วยทาให้เขา ดีขึ้นได้มีแต่ตัวเองนั่นแหละที่จะย่ำแย่ลงการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยอมรับว่ามันเป็นความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นเนี่ยจำเป็นมากในการที่ทำให้เรารับมือกับเหตุร้นั้นได้สามารถจะช่วยให้เราอยู่กันอย่างป ก, งปกติได้อย่างผู้ชายคนนึ่ง แกก็กินเหล้านะกินเหล้าสูบารีนะใช้ชีวิตแบบที่ว่าไม่ระมัดระวังไม่รักตัวเองเลยก็เป็นอย่างนี้มานานหลายปีเป็นสิบปีจนกทั่งเมียก็ยาลูกก็ไปอยู่กับเมียแล้ววันนึงก็พ่อตัวเองนี่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่น่ากลัวมากเป็นมะเร็งที่ใบหน้ามันทําให้เป็นรูเป็นแผลเลยนะที่กลางใบหน้า จมูกหายแก้มซ้ายก็หายปากก็แหว่งมันเป็นเช่นนี้เจ็บปวดมากนะแล้วก็มันต้องทาให้ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าออกไปข้างนอกเจอแดดมันก็จะเจ็บปวดมากระบบประสาทที่หน้านมันเสียไปเจอแดดไม่ได้ต้องอยู่แต่ในบ้านอยู่ในบ้านก็ต้องปิดหน้าต่างให้ดีประตูหน้าต่างไม่ให้แดดรอดเข้ามา คนที่เป็นมะเร็งนี้เนี่ยก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะว่าคนก็ไม่อยากจะมาหาไม่อยากจะเจอแล้วต้องเก็บตู้ในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกิดอาการซึมเศร้าและขณะเดียวกันก็เกิดความก้าวร้าวจากความเจ็บปวดวคนไข้ชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฆ่าตัวตายถึงหนึ่งในสีนะนี่ตัวเลขในอเมริกา หมอคนหนึ่งก็ไปเยี่ยมคนไข้คนนี้แหละแกก็หนักใจแต่พวกกคนไข้คนนี้โอภาปาสายดีมากนะก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่แสดงความกลัดเกลียวตรงข้ามแบบคนแรกที่พูดถึงนะที่เป็นนัลเลงตับอ่อนนะหมอคุยไปคุยไปก็พบว่าอ๋อก็แปลกใจทำไมเขามีอารมณ์ที่ไม่ได้กดเกลียวก้าวร้าวเลย ทำไมเขาสามารถจะสงบใจไว้ได้สงบใจได้คุยไปคุยมาเขาก็เล่าเนี่ยประวัติเขาอย่างนี้แหละ เ, เขาก็สื่อว่าเออไอที่เขาเป็นเนี่ยมันก็สมควรแล้วใช้ชีวิตแบบหัวหกล้นขีอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งเนี่ยก็สมควรแล้วแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้เขายอมรับไอความเจ็บปวดนี้ได้เนี่ยเหตุผลหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า เขาเนี่ยชอบเปิดดูชอบเปิดโทรทัศน์ CNN ช่อง CNN เป็นประจำอะไอ์รายการนี้มันก็เป็นแต่เรื่องข่าวเกี่ยวกับเรื่องโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บปวดความทุกข์ของผู้คนสงครามแผ่นดินไหวน้ำท่วมดูไปดูไปเขาก็เริ่มเกิดได้แง่คิดขึ้นมาว่า มนุษย์เราทุกคนนี่ไม่ว่าชาติใดภาษาใดมันต้องเจอทุกทั้งนั้นโศกนาฏกรรมนี่มันเป็นธรรมดาของมนุษย์และความทุกข์ของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกพอจะรู้สึกได้ําว่าความทุกข์ของเขามันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั่วโลกอันนี้มันทําให้เขายอมรับความเจ็บปวดได้มันทำมันทำให้เขายอมรับ โรคภัยไข้เจ็บได้แล้วเขาก็ไม่บน่นไม่โยวยวายหมอก็แปลกใจหมอวิทย์ชายก็าเาจะอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนปราก็เขาอยู่ได้ถึงปีปีกว่าเพราะเขาตั้งใจที่จะอยู่เพื่อลูกอยากจะให้เวลาอยู่กับลูกแล้วเขาก็ตอนที่เขาตายเขาก็ไปอย่างสงบไม่ไม่ทุรนทุราย อันนี้เห็นความแตกต่างไม่ระหว่างสองกรณีเนี่ยคนหนึ่งไม่ยอมรับยอมรับไม่ได้ได้แต่บ่นว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นกับฉันอีกคนหนึ่งเป็นเมลงที่หนักกว่าแต่เขา ย, ยอมรับได้ใจไม่สำคัญมากนะการยอมรับในสงครามตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ ไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนเนี่ยมันสำคัญมากมันเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยรับมือกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ข้อที่สองเนี่ยที่จาเป็นมากคือการที่มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นคนเราเมื่อมันเจอเหตุล้ายแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีความเศร้ามีความเสียใจมีความเจ็บปวดมีความทุกข์ หรือมีความรู้สึกผิดเช่นพ่อตายแม่ตายแล้วก็รู้สึกผิดว่าเรามีส่วนทำไมเขาต้องเมียนเป็นไปเราไม่ไ ด, ดูแลเขาเพียงพอหรือเพราะว่าเราไม่ได้ให้เวลากับเขาให้ความความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยถ้าปล่อยให้มันครอบงาใจมันก็ทำให้ทุกข์มาก ปฏิเสธมันก็ไม่ได้กฎคมมันก็ไม่เกิดผลแต่ถ้าปล่อยใจให้ลอยไปตามอารมณ์นั้นมันก็ยิ่งทำร้ายจิตใจให้การมีสติรู้เท่าทันอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันสำคัญมากนะมันช่วยได้เห็นความเศร้าที่เกิดขึ้นอย่าปฏิเสธนะไม่ใช่ว่าคนเราต้องเข้มแข็งนักปฏิบัติธรรมางคนคิดว่า เศร้าไม่ได้พ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเราเศร้าไม่ได้เราปฏิบัติธรรมมาต้องหลายปีแล้วจะเสียใจได้ยังไงอันนี้ถือว่าปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องยอมรับความจรงิงอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับมันอย่าปฏิเสธอย่าลักใส ไม่ใช่คิดว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมามากนะฉันเป็นพระบวชมา30ปีแม่ตายนี่ร้องไห้ไม่ได้หรือแม่ตายเสียใจไม่ได้ไอ้นี่ไปเข้าใจว่าการในความเศร้าเนี่ยความเสียใจมันเป็นเครื่องหมายความอ่อนแอไม่ใช่หรือแม้แต่การร้องไห้ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายความอ่อนแอเสมอไปแต่ถึงจะอ่อนแอรหรือเข้มแข็งเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับตัวเองตามที่เป็นจริง น, นี่คือวิสัยของนักปฏิบัติธรรม ไม่ปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นกับใจของตัวมีการมราคาก็รู้ว่ามีมีโทสะก็รู้ว่ามีมีความอิจฉาก็รู้ว่ามีอันนี้แหละมันจะเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นได้เพราะความรู้ทันรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางบางทีเราก็ไม่รู้ทันนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้คุยได้ระบายได้เล่าให้คนที่ เขามีเมตตากรุณาที่จริงคนเราเนี่ยเพียงแค่ได้พูดและมีคนฟังก็ช่วยได้เยอะแล้วคนฟังไม่ต้องแนะนำอะไรมากเพียงแค่ฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความใส่ใจไม่ใช่อาหูทวนลมไม่ต้องไปแนะนำสั่งสอนได้ซ้ำคนพูดพูดไปพูดไปเาก็จะเห็นตัวเองบางคนโกรธไม่รู้ว่าโกรธนงะแต่พอระบายความโกรธให้เพื่อนฟังเพื่อมีสติรับฟัง ให้คนระบายเองก็จะค่อยๆเห็นว่าตัวเองนี่กำลังโกรธความนิ่งของคนฟังมันทำให้คนพูดเนี่ยเห็นตัวเองชัดขึ้นเหมือนกับว่ากำลังเป็นกระจกสะท้อนให้คนพูดได้เห็นตัวเอ ง, อางการฟังอย่างเดียวนี่ก็ช่วยได้เยอะให้เวลามีความทุกข์ความเศร้าถ้ามีคนมาฟังเราพูดมาฟังเราระบาย มันช่วยเขาได้มากทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ช่วยประการต่อมาคือการที่พิจารณาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพูดแบบภาษาธรรมะคือว่ามองเห็นธรรมจากความทุกข์ที่ปรากฏแก่เราสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแล้วแตสอนธรรมให้กัเราทั้งสิน้นรวมทั้งความสูญเสียความเจ็บป่วยถ้าเราหันมาตั้งสติ พิจารณาก็จะเห็นธรมรมเช่นความเจ็บป่วยมันก็สอนเรืเ่องอนิจจังให้กับเรามันสอนให้เราตระหนักถึงความทุกข์หรือให้เราตระหนักว่าสังขารนี้เป็นทุกข์นะมันไม่มีอะไรที่จะสอนทำมาให้กับเราสอนอนิจจังหรือทุกขังให้กับเราได้ดีเท่ากับความเจ็บความป่วยที่เกิดขึ้นกับเราเองแม้กระทั่งความตายที่เกิดขึ้นกับคนที่เราลักก็สอนเรื่องอนิจจังสอนเรื่อง ทุกครังเหมือนกันงั้นถ้าเราลองพิจารณาเหตุาการณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะเกิดปัญญาและเราจะปล่อยวางความเศร้าโศกได้ธรรมะที่มันช่วยได้โดยเพราะการที่เราได้เห็นความจริงของชีวิตว่เาเนี่ยมันมีเกิดคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งนั้นมีเพียงคนหนึ่งเขาเล่าว่า ลูกชายอายุสิมาขอลาไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียแม่ก็ให้ไปพราะเห็นว่าลูกชายเป็นคนที่รับผิดชอบเอาใจใส่การเรียนอินเดียก็เป็นประเทศที่ช่วยให้เรียนรู้ด้านภาษาได้ลูกไปอยู่อินเดียได้ไม่ไม่กี่เดือนก็ปรากฏว่าจมน้ําตายแม่ก็เสียใจมาก และที่ใหญ่กว่านั้นคือแม่โทษตัวเองว่าเนี่ยทำให้ลูกตายเธอก็ได้แต่โทษตัวเองว่าฉันไม่น่าจะอนุญาตให้ลูกไปเลยการอนุญาตให้ลูกไปก็คือทําก็คือการพาส่งลูกไปตายนั่นเองัคนที่เป็นแม่เนี่ยก็จะรู้สึกผิดมากกับการที่ลูกตายก็เสียโูนอยู่นานทีเดียวจกนกระทั่งเพื่อนให้แนะนําให้ไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ ใจสวดมนต์ก็ค่อยๆเห็นทีละนิดทีละน้อยว่าเออความตายมันเป็นธรรมดาของทุกชีวิตนะบางคนตายในขณะที่แก่บางคนตายในขณะ ท, ที่ยังหนุ่มนีไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ก็ตายทั้งนั้นแล้วก็เห็นว่าความตายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นชเช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับกรรมด้วยบางคนทําทํากรรมไม่มากหรือทําบุญน้อยนะก็ตายเร็ว ไอ้บุรุษกรรมนี่บางทีมันก็ไม่ใช่ในชาตินี้อาจจะเป็นชาติที่แล้วก็ได้ะนั้นเธอก็เห็นแบบนี้ก็เลยทําใจได้มากขึ้นจากการตายของลูกแต่ขณะเดียวกันการปฏิบัติทําเจริญสติก็ทําให้เธอได้เห็นความความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นความรู้สึกผิดเกิดขึ้นก็ดูมันไปไม่กดข่มมันยอมรับมันตามที่เป็นจริงแล้วก็จะค่อยๆเห็นว่าเออมันมาแล้วก็ไป มันเหมือนกับสายลมหรือกระแสน้ำนะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ทำให้ปล่อยวางไม่ถูกครอบงาด้วยความเศร้าโศกเสียใจหรือความรู้สึกผิดอิกต่อไปก็ปกกว่าชีวิตเบาสบายขึ้นนะจิตใจปร่งโล่งมีความสุขกว่าตอนที่ยังไม่เสียลูกซะอีก เธอถึงก็บอกว่าเนี่ยการตายของลูกต้องขอบคุณความตายของลูกนะที่ทำให้แม่ได้มาพบธรรมะเธอพูดกระทั่งว่าความตายของลูกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือว่าคุ้มค่ามากเพราะทาให้เธอได้มาพบธรรมะได้มาเห็นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากก็กลายเป็นว่าเวลานี่ถึงความตายของลูกก็ไม่เสียใจแล้วกลับรู้สึกขอบคุณ อันนี้ก็แสดงว่าเธอได้พิจารณาได้เห็นประโยชน์ของความความตายของความสูญเสียนะทำให้ได้เห็นธรรมะนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสาวัตถการก็มีหลายท่านนะบรรลุ ธ, ธรรมเพราะว่าสูญเสียลูกอย่างเช่นนางกีสาโกตมีนางปตัจาราก็หนักนะเสียทั้งสามีเสียทั้งลูกสองคนแล้วก็เสียทั้งพ่อแม่ในเวลาใกล้ๆ ก, ก, กัน ทรัพสมบัติของพ่อแม่ก็ถูกฟ้าพาพินาศหมดไม่เหลืออะไรเลยจนเป็นแทบจะเป็นบ้าแต่พอได้มาเจอพระพุทธเจ้าพระองค์พูดให้ ไ, ได้สติแล้วก็พอแสดงธรรมไม่นานเท่านั้นแหละเธอก็บรรลุธรรมเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องความไม่เทียงของชีวิต ทั้งนางากีสาวกโคตมีนางปตาจาราซึ่งเจอความทุกข์เจอความสูญเสียกับตัวเองพอได้สติเนี่ยก็พิจารณาความทุกข์ก็เห็นว่าเออสังขารเป็นทุกข์มากไม่มีอะไรที่ยึดถือได้เลยก็เกิดปัญญาบรรลุธรรมได้อันนี้เลยว่าเห็นทุกข์โดยไม่เป็นทุกข์ คนส่วนใหญ่เวลาเกิดความสูญเสียขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกข์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสติเราเห็นทุกข์นะมันได้ปัญญาเพราะว่าพอเห็นทุกข์ก็เข้าใจธรรมอันนี้คือคือการที่คนเราเนี่ยสามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อเราได้เห็นธรรม แล้วเราเห็นทำก็ไม่ได้เห็นจากไหนเราก็เห็นจากทุกที่เกิดขึ้นกับตัวนั่นแหละไม่ใช่ทุกที่เกิดขึ้นจากคนอื่นแต่เป็นทุกที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นทุกนี่นะมันแย่แต่ถ้าเห็นทุกนี้นะดีทําให้เกิดปัญญาสามารถจะบรรลุธรรมได้อท่านติสนาทานท่านท่านเขียนเป็นบทกัีสั้นๆง่ายๆบอกว่าไม่มีทโคลนตมก็ไม่มีดอกบัว คนตมมันสกรปรกนะเลอะเทอะนะแต่ว่าสามารถจะทําให้เกิดดอกบัวที่สวยบริสุทธิ์เอามาใช้บูชาพระได้โคนตมที่หมายถึงความทุกข์จะหมายถึงกิเลสด้วยก็ได้นะส่วนดอกบัวนี่ก็หมายถึงจิต ท, ที่บริสุทธิ์สะอาด โพธิ์นั่นเองโพธิจิตนี่ก็หรือการตัดสู้สุดพ้นจากความทุกข์กิเลสฉาบไม่ติดเหมือนกับน้ำที่ไม่แปดเปื้อนดอกบัวเนี่ยก็เพราะมีความทุกข์เนี่ยหรือโครนตรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะ ก็ตั้งสติให้ดีพิจารณายิ่งถ้าไร้เจริญสติถ้าได้ทำวิปัสสนามานี่ก็จะช่วยทำให้ได้เห็นธรรมจากทุกได้ได้ประโยชน์จากโศกนาตกรรมจากความสูญเสียข้อสุดท้ายที่บอกเขาก็คือว่าคนเราเวลามีความทุกเนี่ยมันบางทีมันท้อแท้นะไม่มีเรื่อไม่มีแรงที่จะดาเนินชีวิตแต่ว่าถ้าหากเรา สามารถที่จะปลุกเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็ทำให้มีเรี่ยวมีแรงที่จะสู้ชีวิตต่อไปได้เมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งสูญเสียลูกไปแล้วก็พ่อแม่ลูกยังเล็กอยู่เลยนะเป็นลูกสาวสามคนน่ารักมากตายไปกับกองเพลิงในบ้านของเธอและพ่อแม่ด้วย เสียพ่อๆก็นักประจจลาเลยนะเสียทีเดียวห้าคนเลยจากเหตุเพลิงไหม้ก็เรียกว่าหัวใจแทบสลายนะแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะกลับมาลุกขึ้นสู้สามารถจะมีชีวิตต่อไปได้ในงานศพเนี่ยเธอก็ก็พูดถึงลูกของเธอพูดถึงแม่ พูดไปก็ก็เศร้านะแต่เธอตอน ท, ท้ายเธอก็บอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ระลึกถึงลูกสาวของเธอที่น่ารักอยากจะให้รักษาจิตวิญญาณของลูกสาวเธอไว้ในหัวใจของแต่ละคนด้วยการที่มีความรักและออกไปช่วยเหลือผู้อื่น วิธีเดียวที่จะรักษาลูกของเธอไว้ในหัวใจก็คือการทำช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตที่มีเมตตาช่วยเพื่อนบ้านช่วยคนที่เดือดตกทุกได้ยากแล้วเธอก็สร้างตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกได้ยากนอกจากคนที่สูญเสีย อย่างใหญ่หลวงจนเกือบจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยแต่ก็กลับมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ได้เกิดเมตตากรุณาที่จะช่วยเหลือผู้อื่ น, น, นคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยเวลาแต่ถ้าเกิดปลุกเมตตากรุณาให้มันเบ่งบานขึ้นมาในใจเนี่ยเมตตากรุณาก็สามารถจะ ทำลายขับไล่ความทุกข์ความทอ้อแท้ไปได้อาจจะเรียกว่าเธอเปลี่ยนความรักที่มีต่อลูกให้กลายเป็นความรักที่มีต่อคนตกทุกข์ได้ยากก็ได้แ ต, ตอนที่เธอเธอพูดประกาศเช่นนี้ในงานศพเนี่ยไม่กี่วันต่อมาก็มีเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวนหนึ่งอันนี้หนักกว่าอีกนะ มีโจรบุกเข้าไปในบ้านเราก็จับคนที่เป็นพ่อเนี่ยมัดโจรสองคนนี่มันก็เข้าไปฆ่าเมียของเจ้าของบ้านแล้วก็คมคืนลูกสาวอายุสิบเอกับสิบเจ็ดขมคืนไม่พอฆ่าด้วยแล้วก็เผาต่อหน้าต่อตาเลยมันมันเจ็บปวดมากมันโหดร้ายมาก คนที่เป็นเจ้าของบ้านก็รอดชีวิตมาได้นะเราคิดว่าเนี่ยตายชิงยังจะดีสักกว่าอีกเพราะว่าทนไม่ไหวที่สูญเสียทั้งเมียทั้งลูกในสภาพที่โหดร้ายมากเจอแบบนี้ต้องก็ต้องเศร้านะเสียใจแล้วก็โกรธแค้นแต่เขาสามารถที่จะยกจิตให้มันอยู่เหนือความโกรธแค้นและความเศร้าโศกเสียใจได้เขาก็พูดเหมือนกับ ผู้หญิงคนที่เมื่อกี้เนี่ยนะก็บอกว่าให้เราเขาพูดในงานศพนะบอกว่าให้ทุกคนที่โศกเศร้าเสียใจนะขอให้รักษาดวงจิตของลูกสาวของเขาไว้ด้วยการทำความดีบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีถ้าว่าจะมีผลดีเกิดขึ้นจากการตายที่ไร้เหตุผล ของครอบครัวของผมเนี่ยนะก็คือว่าขอให้เราทุกคนได้เดินออกไปเพื่อทําความดีนะให้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นให้ช่วยผู้อื่นด้วยการกระทําไม่ใช่แค่มีแต่ความรักแต่ช่วยด้วยการลงมือกระทําตั้งแต่ช่วยเพื่อนบ้านทําเพื่อความถูกต้องหรือช่วยผู้ที่เดือดร้อนแล้วเขก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเหมือนกัน สคนนี้ไม่รู้จักกันนะแต่ว่าทําเหมือนกันพูดเหมือนกันก็คือการเปลี่ยนโศกนาฏ ก, กรรมของตัวเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งสร้างสรรค์นะต้องเรียกคนแบบนี้ใจใหญ่มากเลยนะแทนที่จะกลุ้มหมกกลุ้มใจแล้วก็กลดดาชะตากรรมกล่าวโทษคนทั้งโลกว่าทําไมมันโหดร้ายแบบนั้นทําไมโชคชะตามันเวลวร้ายแบบนั้น นะเข้ากับนึกถึงคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะทําอะไรสักอย่างที่จะช่วยผู้คนที่เดือดร้อนสิ่งที่เขาทาก็คือการที่จะปลุกเมตตากรุณาให้ขึ้นมาในใจนะความเมตตากรุณาเพเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะขับไล่ไอ้ความเศร้าโศกเสียใจความท้อแท้ออกไปได้เนะพราะเมตตากรุณานั้นเป็นกุศลเป็นกุศลที่สามารถจะมีพลังขับไล่อกุศลใน ใ, นใจได้ ก็เหมือนกับสติเหมือนกับสัพพัญญะเมือ่อความรู้สึกตัวก็เป็นกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถจะขับไล่อารมณ์ที่เป็นอกุศลได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีกลับมามีเรื่อมีแรงใหม่จากการที่ได้ทำความดีการได้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ถ้าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยแล้วเราเจ็บปวดหรือว่าเราประสบความสูญเสียแล้วเราจมอยู่กับตัวเองมากๆเนี่ยมันยิ่งกัดกร่อนจิตใจแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะดึงเอาธรรมะออกมาในใจไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นสัพพัญญะความรู้สึกตัวหรือความเมตตานไน่มันทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาใหม่และสามารถจะก้าวเดินต่อไปนะ กรณีสองกรณีนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนมากมายได้นะว่าทั้งที่เจอทุกเจอโศกนาฏกรรมที่มันเวลวร้ายเจ็บปวดมากแต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ต่อความเศร้าโศกไม่พอนะยังไม่ยอมแพ้ต่อความโกรธเกลียดด้วยลูกถูกฆ่าถูกกระทำชําเราวนี่มันน่าจะโกรธเกลียดมากนะ โกรธแค้นแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ให้ความโกรธเกลียดพยาบาทนี่มันครอบงำจิตใจก็โดยการลุกขึ้นมาทำความดีนะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นะอันนี้เราก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักธรรมที่ที่จะมาช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามอายณนะ หรือว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเราเองได้ซึ่งมันก็เป็นหลักสากล น, นะกรณีที่พูดมานี้ก็ไม่ใช่คนไทยนะก็เป็นคนอเมริกันก็อาจจะอาจจะไม่มีพื้นฐานทางาศาสนาเลยก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นคนเคร่งาศาสนาแต่ว่าเขาก็เห็นว่า ธรรมะเนี่ยนะมันมีคุณค่าที่เป็นสากลที่สามารถที่จะช่วยยกจิตยกใจของเราเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ได้เพราะนั้นเวลาเรามีความทุกข์นี่แหละซึ่งคงจะเล็กน้อยกว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยนะเราต้องกลับมาตั้งสติให้ดีนะแล้วก็ใช้ธรรมะที่มีอยู่เนี่ยนะยกจิตเพื่อให้มันอยู่เหนืออกุศลรรธรรม และไม่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้แล้วก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เลวร้ายนี่ถ้าเรามองไม่เป็นนะมันก็เห็นแต่โทษนะมีแต่ทําให้เจ็บเ จ, จ็บปวดรวดราวนะแต่ถ้าเรามองเป็นนี่มันก็ไม่ต่างจากโครนตมนะที่ทําให้เกิดดอกบัวหรือไม่ต่างจากปุ๋ยนะ ที่ทำให้ดอกไม้เจริญ ง, งอกงามปุ๋ยนี่มันก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกก็มาจากอุจจระมาจากซากศพมาจากขยะซึ่งไม่มีใครเอาส่งกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าถ้าใช้ให้เป็นนี่มันก็ทำให้เกิดดอกออกผลผักนี่ก็มาจากขยะได้เหมือนกันมาจากอุจจระได้เหมือนกันดอกไม้ก็สามารถจะเติบโตเพราะ ปุ๋ยที่เป็นปฏิกูลได้เหมือนกันชีวเราก็เช่นเดียวกันนะเราสามารถที่จะทำให้ชีวเราเนี่ยมันผลิตดอกออกผลที่งดงามได้โดยอาศัยความทุกข์โดยอาศัยความลำเค็นที่เกิดขึ้นไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามาคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะ ค, ครับครับ